ในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับศีหาสายยาอยู่ระหว่างต้นสาราคู่ในสวนป่าสาระอันเป็นที่แวะพักกลางทางของพวกมลกระสัตริย์ใกล้เมืองกุศินราในตอนก่อนการบริณฑิบานในที่นั้นท่านพระอ น, นุนได้ตามพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็แต่ก่อนนี้ภิกษุทั้งหลายที่จำบัญษาในที่ต่างๆแล้วย่อมมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคพวกข้าพระองค์ทั้งหลายได้มีโอกาสเห็นภิกษุทั้งหลายผู้น่าเจริญใจเหล่านั้นได้มีโอกาสเข้าพบปะภิกษุทั้งหลายผู้น่าเจริญใจเหล่านั้นกรันผู้มีพระภาคล่วงลับไปแล้วพวกข้าพระองค์ทั้งหลายย่อมหมดโอกาสที่จะได้เห็น หรือได้เข้าพบปะภิกษุทั้งหลายผู้น่าเจริญใจเหล่านั้นอีกต่อไปอานน์สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธามีอยู่สี่ตำบลสี่ตำบลคือสถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาว่าพระสถาคนคต ประสูติแล้วณนะที่นี้สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีสตาว่าพระตถาคตผู้รันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตระสัมมาสัมปุิ т านแล้วณที่นี้สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตร ผู้มีศรัทธาว่าพระตถาคตได้ประกาศอนุตระธรรมจักรให้เป็นไปแล้วหนะ้าที่นี้หนึ่งและสถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่คุณบุตรผู้มีศรัทธาว่าพระตถาคตประดิพินา์ด้วยอนุปาที่เสสะนิพานตาดแล้วหนะ้าที่นี้อนนนต์ สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่คุลบุตรผู้มีสตามีอยู่สี่ตำบลเหล่านี้แหละพิษุหรือภิกษุณีหรืออุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายผู้มีสตาธาจะพากันมาสู่สถานที่สตํตำบลเหล่านี้ด้วยหมาย ใ, ใจว่าพระตถาคตได้ประสูติแล้วหนะ้าที่นี้บ้าง จะพากันมาสู่สถานที่นี้ด้วยหมายใจว่าพระตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตระสัมมาสัมปทิญาณแล้วณที่นี้บ้างจะพากันมาสู่ที่นี้ด้วยหมายใจว่าพระตถาคตได้ประกาศอนุตตระธรรมจักให้เป็นไปแล้วณที่นี้บ้างจะพากันมาสู่ที่นี้ด้วยหมายใจว่าพระตถาคต ได้ประดินิพานแล้วด้วยอนุปาที่เสสานิพานธาตุณนะที่นี้บ้างดังนี้ชนเหล่าใดเที่ยวไปตามเจดียสถานจะมีจิตเลื่อมใสทำกาล้าแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ภายหลังแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับดังนี้และนี่คือรายการธรรมะกับเจ้าพระภัยบูรณ์มาพบกับท่านผู้ฟัง อีกครั้งหนึ่งในช่วงตนสัปดาห์จึงนาธรรมะที่เป็นหมวดเป็นข้อเป็นเรื่องเป็นราวที่มาเล่าให้ฟังเพื่อที่จะให้ความรู้ความเรียนที่เราเรียนไปรู้ไปจาได้นไม่กลายเป็นงูพิษงูพิษนั้นพิษงูงูพิษมันก็มีพิษใช่ไหมพิษมันเนี่ยร้ายแรงแต่พิษที่ร้ายแรงของมันนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราเอาไปใช้อย่างไง ถ้าบอกว่าเรามีพิษงูมีงูเราจับงูไม่ดีงูนั้นก็ตอดก็ฉกกัดเราได้พิษเข้าสู่ระบบเลือดแล่นเข้าสู่หัวใจก็ตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเหมือนกันความรู้ที่เราเรียนเรารู้ถ้าเรียนไม่ถูกรู้ไม่ถูกเข้าใจไม่ถึงเนื้อความหรือว่ากลับใช้ความรู้นี้ในการทิ่มแทงคนอื่นให้เสีย ห, หายแล้วสิ่งนั้นจะกลายเป็นงูพิษกับเรา จะเป็นพิษงูที่จะทําอันตรายเราได้แต่ถ้าเรารู้จักใช้ให้ดีเนื้อพิษงูนั้นก็ไปทําเซลล์ร่มได้ไปทําเป็นยาไปทําเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพดีขึ้นได้แก่พิษได้อะไรได้นี่แหละคือประเด็นประโยชน์ที่พระเจาบอกไว้ว่าเราควรจะศึกษาปริยัติในลักษณะที่ไม่ให้เป็นงูพิษไม่ให้เป็นพิษที่จะมาทําร้ายทําอันตรายเราจึงต้องรู้จักวิธีการจับ วิธีการที่จะถือจับมันให้ดีซึ่งในกรณีนี้ผู้รชาได้เคยเปรียบเทียบอภัยว่าก่อนที่จะจับงูเนี่ยหม้องูเขาก็จะต้องเอาด้ามไม้ในที่ปลายของมันเนี่ยเป็นเหมือนกับกีบเท้าแพะนั้นหนีไปลายก่อ น, นกดไปที่หัวของงูกดไปที่ตัวมันบริณหัวแล้วก็จับหัวขึ้นมาถึงแม้ว่าตัวของงูมันจะมารัดแขนรัดอะไรส่วนต่างๆของเราแต่ว่าเราก็สามารถที่จะปลอดภัย จากพิษของงูได้แต่ไม่ได้รับอันตรายเช่นเดียวกันในช่วงของวันนี้จะพูดให้ฟังถึงเรื่องของหมวดธรรมะที่เป็นข้อๆที่พระเจ้าได้ประกาศเอาไว้ดีแล้วเนี่ยในการอธิบายให้เข้าถึงความหมายที่แท้จริงวันนี้จึงได้ยกพุทธพจนะ์ใที่ตอนนั้นพระเจ้านอนตะแคงข้างขวาละนอนศีหายาเนะีเป็นการประทับศีหายาครั้งสุดท้ายนะอยู่ระหว่างต้นศาราคู่ในสวนป่าสาราของพวกมลรคสัตย์ น, นั้นก็เป็นตอนที่ใกล้จะปริณฑิบันแต่ท่านพระนอนุนก็ปาราบเห็นที่ว่าแม้ตอนที่พระเจ้าอยู่เนี่ยก็จะมีคนมาหามาเยี่ยมมาเยีน ม, มาถามธรรมะบ้างมาแจ้งข่าวอะไรต่างๆซึ่งพระนอนุนก็รู้สึกว่าบุคคลภิกษุภิกษุณีเหล่านี้ที่มาหาพระเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลที่น่าเจริญใจน่าเจริญใจด้วยศีลของท่านด้วยสมาธิด้วยปัญญาบางคนก็มาพยากรอรัตผลให้ทราบนับบรรลุแล้วนะ บางคนก็บอกว่าที่นีอ้อยู่ดีกินดนะีได้มีธรรมะอะไรต่างๆปรากฏขึ้นนะเป็นบุคคลที่น่าเจริญใจเป็นะคนที่น่าเจริญใจด้วยคุณธรรมการเจริญมักแปเป็นต้นของบุคคลเหล่านั้นทีนี้พอพรุชาไม่อยู่แล้วเนี่ยก็เหมือนกับไม่มีศูนย์กลางที่จะมีใครจะมาเดินทางมาหาใช่ไหมก็เลยเป็นที่ให้ท่านพระนนเนี่ยมาตัดพ้อว่าว่าจะทํายังไงดีจะไม่ได้เจอภิกษุเหล่านั้นอีกแล้ว พระเาก็เลยพูดถึงเรื่องของสังเวชนียสถาน4แห่งในสังเวชนิยสถาน4ี่แห่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ประหลาดนะท่านฟังถ้าบอกว่าเราศึกษาคําสอนของพระเจ้ามาพอสมควรเนี่ยจะสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ได้บัญญัติอะไรที่เป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจงอย่างสถานที่อย่างเงี้ยจะไม่ได้บอกว่าต้องละทิจจุดนี้ลองทิจจุดนี้ในะตำแหน่งนี้เท่านั้นคุณถึงจะทําได้แล้วก็ได้บอกไว้คร่าวๆอย่างเช่นว่า ที่ไหนที่วิเวกแต่คุณก็ปฏิบัติสมาธิได้ไหอย่างไรล่ะเรียกว่าที่วิเวกก็ที่ที่มันสงัดสงบมีเสียงอึกึกๆึโครมน้อยปราศจากลมที่เกิดจากผิวกายของคนเข้าคนออกแต่ที่ลักษณะนี้อยู่ที่ไหนแต่อยู่ที่ไหนก็ได้จะประเทศอินเดียประเทศไทยประเทศที่ไหนหรือว่าในยานอวกาศบนเรือได้ทั้งนั้นที่ดีมีคุณสมบัติในลักษณะนี้แต่ก็เป็นแนวๆเวาไว้ซึ่งมีความยืดหยุ่นมาก หรือว่าที่ที่พูดถึงว่าคุณอยู่ในที่ไหนแล้วกิเลสที่มันจะละไม่ได้ก็ละได้จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นขึ้นมาอาสวะที่ยังไม่ระงับก็ระงับลงไปนะจิตก็ตั้งขึ้นได้ในสถานที่แบบนั้นก็ให้อยู่นะให้พิจารณาอย่างนี้มีหลักมีเกณฑ์ให้พิจารณาหรือพูดถึงสถานที่ที่เป็นที่เที่ยวไปของบิดาตนอันนี้ก็มีความหมายลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะไม่ใช่ว่าต้องไปที่นั่นหรือต้องมาที่นี้แต่ว่าเป็นที่ที่ อยู่ในใจของเรานั่นคือสติปัฏฐานทั้งสี่แสติสปัฏฐานทั้งสีเป็นที่เที่ยวของบิดาตนจะเที่ยวไปไหนขึ้นเหนือลงใต้ก็ต้องใจก็ต้องอยู่ในสติปัฏฐานทั้งสีเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าเวลาที่พระเจ้าบัญญัติธรรมะเนี่ยจะค่อนข้างยืดหยุนเพราะว่าเพื่อให้เป็นไปเพื่ออากาลิโกให้มันใช้ได้ตลอดทุกที่ทุกการทุกเวลาแต่แต่หมวดธรรมะตรงเนี้ยที่เรียกว่าสังเวชนียสถานสี่เนี่ยจะมีความน่าสนใจว่าพระเจ้าเฉพาะเจาะจองที่นี่ ที่ที่พระองค์ตรัสรู้นี่ที่ที่พระองค์ประสูตรนี่ที่ที่พระองค์แสดงธรรมจักรกับปปัตตนสูตรนี่แล้วก็ที่ที่ปรดนิพาน4ี่ที่นี้เป็นบทธรรมอันเดียวนะที่ข้าพเจ้าเห็นนะถ้าบอกว่าตัมบุฟังได้เห็นข้อมูลอื่นๆก็ช่วยแจ้งให้ทราบด้วยว่าเป็นที่ที่เฉพาะเจาะจงลงไปว่าตรงนี้นะไม่ใช่ตรงอื่นนะไม่ใช่ตำแหน่งอื่นนะคือถ้าเรากลับมาพูดถึงเรื่องของสติปัฏฐาน4ี่อย่างเงี้ยที่ว่าเป็นที่เที่ยวของบิดาตนนะคุณจะอยู่ ภาคเหนือหรือภาคใต้ถ้าที่คุณมีสันสติปัตยาน4ี่ก็ชื่อว่าคุณยังอยู่ในที่เที่ยวของบิดาตนแต่4ที่นี้แล้เป็นที่ที่เฉพาะเจาะจงลงไปเลยว่าต้องตรงนี้แตนะ่จึ่งควรที่จะมาพูดกันทําความเข้าใจว่าไอต้ตรงนี้ตรงเนี้ยมันตรงไหนนะก็คือที่ที่พระเจ้าประสูต์ทีนี้สิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ตรงนี้สำคัญตรงที่ว่าใครที่ควรจะไปดูที่ควรจะไปเห็นแล้วยังไงถึงเรียกว่าบุคคลที่น่าเจเรียนใจคือ ท่านพระนนท์เนี่ยถามเนี่ยเพราะปรารภในะเหตุของการที่เห็นสาวกทั้งหลายผู้ที่น่าเจริญใจนะน่าเจริญใจตอนี้การน่าเจริญใจพระเจ้าก็จึงพูดถึงอะไรเป็นเหตุของความน่าเจริญใจนั้นแนะตรงนี้พูดไปชัดเจนทา้งบุฟังแตนะ่ที่บอกว่าบุคคลที่มีศรัทธาเนะีเมื่อไปเห็นควรเกิดความสังเวชนี่นะมีศรัทธานะคือหนึ่งไปดูแล้วไปเห็นแล้วนะควรเกิดความสังเวช ดังคุณธรรมคือความศรัทธาคือความสังเวชนะความสลดสังเวชที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่คุณได้ไปเห็นสถานที่แบบนั้นน่ยจะเป็นคุณธรรมที่ทําให้เราเนี่ยเป็นบุคคลที่น่าเจริญใจและบุคคลที่น่าเจริญใจก็อาศัยคุณธรรมคือศรัทธาและความสังเวชที่เกิดขึ้นเพื่อนันท์สมมุติถามว่าเฮ้ยเราไม่ได้เดินทางไปได้ไหมอยู่ที่บ้านเราทำได้ไหมเราก็ต้องอาศัยคุณธรรมที่ว่าเออคุณมีศรัทธามั้ยนะคุณเกิดความสังเวชเกิดขึ้นในใจหรือไม่ แตนะคุณทํามสองอันนี้สําคัญแตนะถ้าเรามีศรัทธามีความสังเวชเกิดขึ้นแล้วแตนะก็พอจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มีความเจริญใจแตนะ่ตรงนี้เพื่อผูดให้ฟังเนี่ยเพื่อที่จะหมายความว่าถึงแม้เราจะไม่ได้ไปแตนะ่เราก็เรียกว่าเป็นบุคคลที่น่าเจริญใจได้แต่บุคคลที่น่าเจริญใจบุคคลที่น่าควรจะเข้าไปพบไปเห็นแตนะ่ก็เช่นบุคคลที่มีอริยะมากมีองค์แปดมีศีลสมาธิปัญญาต่างๆเหล่านี้เรียกว่าบุคคลที่ควรจะต้องระลึกถึง ควรจะต้องเดินทางไปหาไปชมไปพบนะนี้พระพุทธเจ้าก็เคยตรัสไว้ที่หนยญะอื่นทีนี้ที่จะตอบคําถามว่าจําเป็นจะต้องไปไหมในชาตินี้ก่อนตายต้องไปนคําตอบก็คือว่าไม่จําเป็นขนาดนั้นแต่เป็นหมวดธรรมที่พระพุทธเจ้าระบุไว้ว่าตรงนี้ตรงนี้แต่าจะเป็นข้อสังเกตยอย่างหนึ่งว่าถ้าเผอเราไม่ไปนะเรามีคุณธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าสอนมาเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นบุคคลที่น่าจเจริญใจได้เหมือนกันนะแต่ถ้าจะไปนะเราควรจะไปด้วยเหตุ ที่อย่างท่านพระอนุนถามว่าคุณควรจะต้องไปเพื่อที่จะให้เป็นบุคคลที่น่าจเจริญใจนะคือบุงคนไปเนี่ยก็คือไปเที่ยวไปดูนะไปไม่สมรวมอินทรีย์ไปเล่นไปดา่าไปว่าแล้วนะก็ไม่ถือว่าเป็นบุคคลที่น่าจเจริญใจนะเพราะว่าไม่ได้เกิดความสุขหลดสังเวชก็พูดถึงว่าถ้าเรามีโอกาสได้ไปนะเราควรจะทําอย่างไรในวันนี้จึงต้องการจะพูดถึงประเด็นที่ว่าถ้าเรามีโอกาสได้ไปสังเวชหนีสถานศีลนะโดยปรารบเหตุที่ท่านพระอนุนถามอย่างนี้ พระเจ้าตอบอย่างนี้แล้วเนี่ยเราควรจะทําจิตของเราอย่างไรมีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างแต่อันแรกที่ต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสังเวชนียสถาน4ีนี้ก่อนก็คือว่าเป็นที่ที่พระเจ้าได้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นถ้าศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์มาบ้างเนี่ยก็จะพบว่าพระเจาประสูติที่นี้ตรัสรู้ที่นี้แสดงธรรมจากที่นี้ปดิบัติผ่านที่นี้เป็นกนละที่กันอยู่ใน4สถานที่4ตําบล เพราะฉนเวลาที่เราไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่บ้านเราเนะเป็นต่างประเทศชีวิตความเป็นอยู่อะไรต่างมันก็ไม่เหมือนกันแนะสิ่งที่เราต้องทาราบไว้อย่างหนึ่งเลยก็คือว่าเราต้องเป็นผู้ที่อยู่ง่ายกินง่ายแตนะ่ถ้าเรามีโอกาสได้ไปเราจะพบว่าประเทศเขาไม่เหมือนประเทศเราอาหารการกินก็ไม่เหมือนกันนะผู้คนก็ต่างกันมีประเพณีต่างกันการจาราจรถนนหนทางกนะว่าชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีขนมทำเนียมประเพณีมันต่างกัน ดังนะนั้นความคุ้นเคยมันมันต่างกันแน่แตนะ่คนที่เดินทางไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะอยู่ได้ต้องเป็นผู้ที่อยู่ง่ายกินง่ายแตนะ่ถ้าเราเป็นคนอยู่ยากกินยากนะไปถึงเราก็จะบ่นจาว่าจะจู้จีจจ้จุกจิกและจิตเราจะไม่เป็นกุศลธรรมแลนะจิตที่ไม่เป็นกุศลธรรมเนี่ยจะทำให้เราไม่มีศรัทธาคือถ้าเรามีศรัทธามีความสังเวชเกิดขึ้นเนี่ยจิตของเราจะไม่เป็นกุศลธรรม แต่แล้วมันจะทำให้ศรัทธาของเราเศร้าหมองจะทําให้ความสังเวชในใจของเราเศร้าหมองนะไม่ดีแต่ถ้าไปแล้วไม่ได้ปรารบเหตุอย่างที่ท่านพระอนุนถามไม่ได้ปรารบผลอย่างที่ท่านพระพุทธเจ้าตอบเนี่ยมันก็จะถือว่าไม่ได้ประโยชน์จากการไปอย่างเต็มที่ดันะนั้นหนึ่งในข้อที่เราจะต้องเตรียมการก่อนถ้ามีโอกาสได้ไปนะคือจะต้องไปด้วยความที่เราต้องเป็นผู้ที่อยู่ง่ายกินง่ายนะอยู่ง่ายกินง่ายเลี้ยงง่าย สันโดษในบริการแห่งชีวิตเพราะว่าความเป็นอยู่มันไม่เหมือนกันนะที่ทางเลยต่างๆนอกจากเรื่องของความเป็นอยู่ง่ายความกินง่ายแล้วในอีกประการหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือว่าเราอาจจะได้เจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจนะคือถึงแม้เราจะอยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็ตามแต่เนื่องจากว่าชีวิตความเป็นอยู่มันต่างกันนะเราจะอาจจะเจอภาษะที่ไม่น่าพอใจนะถ้าเราเจอภาษะที่ไม่น่าพอใจเช่นรถติด นะถนนหนทางมันขึ้นขึ้ น, นลงลงนะผู้คนกลิ่นมันเป็นอีกแบบหนึง่งอาหารก็ไม่ชอบใจป่วยเป็นโรคอีกต่างหากนะระยะการเดินทางเลยต่างๆยาวนานถ้าเราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจอย่างนี้แล้วถ้าบอกว่าจิตของเรามันแตกใช่ไหมมีการด่าว่าอะไรปุ๊บปั๊บนี่อา้าวจิตเป็นอกุศลละในะแทนที่จะไปได้บุญนะก็ไปเอาบาปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ก็ไม่ควรให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุณธรรมที่2นอกจากความอยู่ง่ายกินง่ายแล้วต้องเป็นผู้ที่อดทนด้วย ให้อดทนต่อตาหูจมูกลิ้นและกายแต่พยายามเป็นผู้ที่สัมรวมอินทรีย์อย่างมากแตนะเพราะว่าสถานการณ์มันไม่เหมือนบ้านเราแนะนะ่อาหารการกินอย่างที่ว่าไปแตนะ่ถ้าเราไม่อดทนนตะจิตเราจะเศ่้าหมองที่เราเศ่้าหมองการเดินทางของเราเสียเปล่าแตนะ่แต่ถ้าเรามีความอดทนนะจะได้ประโยชน์2 อ, อย่างนะอย่างแรกก็คือพระเจ้าบอกว่าผู้ที่อดทนต่อตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยจะทําให้เป็นผู้ง่ายต่อการเข้าสู่สัมมาสมาธิ แต่ว่าถ้าเราอดทนป้วะประโยชน์ที่หนึ่งที่คุณจะได้รับทันทีคือคุณจะเข้าสมาธิได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้นอันนี้หลายๆคนที่ได้มีโอกาสไปแล้วก็เคยมาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังตัวข้าพเจ้าเองได้มีโอกาสไปก็เจอประสบการณ์นี้เหมือนกันนั่นคือตัวเราเองเนี่ยไปถึงปุ๊บเราก็พยายามจะสํารวมจิตเลยแม้เราสามารถถึงสถานที่ที่พระเจ้าแสดงธรมมธรมจกักรหมุนธรรมจักรบึมอยู่ตรงนี้นะสถานที่พระเจ้าตรัสรู้อยู่ที่นี่นะโลกธาตุสันสะเทือนอยู่ตรงนี้ใจกลางมันอยู่ตรงนี้ หนาเราจะไปแบบคิดบ้าๆบอๆนาดาคนนั้นว่าคนนี้คิดบนนั่นบนนี่ในใจไม่ได้เลยต้องรีบสํารวมจิตยอย่างดีหนามีภาษาอะไรไม่พอใจเราก็จะอดทนอย่างเดียวหนาทาให้รู้สึกว่าสมาธิมันดีขึ้นนั้นดีขึ้นสองสาเท่าหนาจากก่อนที่จะไปหนนี้เป็นเป็นข้อที่ประจักษ์ได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องของการกินง่ายอยู่ง่ายแล้วหนาคุณจะต้องเป็นผู้ที่อดทนด้วยนาอดทนนอกจากจะทําให้เราเข้าสมาธิง่ายแล้ว ยังทําให้เราเป็นผู้ที่รักษาจิตให้มีกุศลธรรมในาการเดินทางเราจะสําเร็จประโยชน์แล้วข้อที่3ามอะที่ต้องทราบก็คือว่าจิตที่เป็นกุศลธรรมนี่จะทําให้เราได้บุญะจะทําให้เราได้บุญอะคุณจะอยู่ประเทศไทยอยู่ประเทศอินเดียประเทศเนปาลประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศมาเลเซียอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าจิตคุณมีกุศลธรรมแล้วอันนั้นดีนะแต่ถ้าเราจะเดินทางไปเนี่ยแล้วจิตเรากลับ กลายเป็นอกุศลธรรมบุด่าว่าอย่างเงี้ยงั้นคุณอยู่บ้านดีกว่าไหม น, น, นี่คือประเด็นนะนอยู่บ้านคุณจิตเป็นกุศลได้นะดีกว่าด้วยซ้ํนานั่นเป็นบุญแต่ถ้าเดินทางมาแล้วจิตคุณรักษาสิ่งที่เป็นกุศลไม่ได้แล้วจะมาทําไมแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรแต่ก็ถึงบอกว่าถ้ามามาเอาบุญมาสร้างบุญสร้างกุศลจิตต้องเป็นบุญจิตต้องเป็นกุศลนัน้วลองดูนนขอทานหรือว่าคนที่เขาปลอมบวชนนอยู่ข้างเจดีอย่างเงี้ยอยู่ข้างเจดีปลอมบวชหยิผ้าเหลืองมาห่ม นะตัดผมสั้นๆหน่อยนะเหมือนกับปลอมเป็นพระแล้วก็ขอทานนะรับทานพอถึงเวลานกักองเที่ยวไปเขาก็เปิดผ้าออกหนนะีเอาเงินไปใช้หนะริมีการลักขโมยพวกล้วงกระเป๋าเลยอยู่เท่านั้นก็มีเขาไปเจดีเขาไ ป, JD, าไปที่ที่ชาวตรัสรูก็ตามแต่ถ้าเขาสร้างบาปเนี่ยเขาไม่มีทางชี่อได้ไปสวรรค์เลยไม่มีทางเลยเพราะจิตไม่มีศรัทธาจิตไม่มีความสังเวชจิตไม่มีกุศลธรรม เพราะนั้นถ้าเราจะไปเราให้มันมีความแตกต่างหน่อยหนมีความแตกต่างในเรื่องของจิตที่เป็นกูส้สรธรรมจิตที่มีศรัทธาจิตที่มีความสังเวชให้มันเกิดขึ้นตรงนี้ในใจของเราให้ได้รักษาจิตให้ดีหนถ้าจะไปมันต้องมีทั้งการเตรียม เ, เตรียมเรื่องของปัจจัยคือเงินทองใช่ไหมไปนี่มันก็ไม่ใช่ถูกๆก็ต้องมีการเสียงเงินการเดินทางเนองน้อยกระทำ p a สป p o r t ก็หลายพันละหนาะเดินทางค่าอาหารการกินค่ า, าที่พักอะไรต่างๆ เราจึงควรที่จะมาแล้วให้มันเกิดประโยชน์ในการที่จะเห็นสถานที่นี้ประโยชน์ที่จะสําคัญที่สุดคือเรื่องของในใจในที่ให้มีสิ่งที่เป็นกุศลธรรมในที่สําคัญสําคัญหลักๆเลยคือศรัทธาและความสังเวชที่จะเกิดขึ้นข้อที่4เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญอีกเหมือนกันนัคือประเด็นเรื่องของการบูชาแต่บางคนก็จะเตรียมเครื่องบูชาไปนะทูบเทียนเอ้ยผ้าเอ้ยนะข้าวของสิ่งของอะไรต่างๆที่จะเตรียมไปบูชานั่นนี่โน้น ซึ่งการบูชาต่างๆเหล่านั้นนะก็พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้นั่นแหละตอนที่อยู่ใต้ต้นสาระคู่นี่แหละนะตอนนั้นก็มีดอกบนทารพนะเป็นดอกไม้ทิพย์ที่อยู่ในชั้นดาวดึงนะสวรรค์ชั้นดาวดึงนะดนตรีกลิ่นหอมล้วนแต่ของทิพย์นะมาเพื่อที่จะบูชาพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นณนะที่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าบอกการบูชาอย่างนั้นน่ะไม่ชื่อว่าการที่พระพุทธเจ้าจะรับการบูชานะแต่การบูชาที่ดีที่สุด ที่พระเจ้ายกย่องคือการปฏิบัติบูชาใ น, นการปฏิบัติบูชาก็คือการที่ทําจิตให้ดีทําจิตให้เป็นกุศลธรรมเพราะฉะนั้นเครื่องมืออะไรต่างๆที่คุณจะใช้ในการบูชาเนี่ยก็ให้ทราบด้วยว่าเป็นรายละเอียดเล็กน้อยแต่สิ่งที่สําคัญกว่าเนี่ยก็เรื่องของจิตที่ต้องตั้งมั่นไว้อย่างดีละวิจิกิจชา้าละความพยาบาเบียดเบียนนะทําจิตให้มีสติสัมปชัญญะตั้งขึ้นเอาไว้ ไม่ประมาทมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวอย่างเนี้ยชื่อว่าเราได้บูชาพระุทเจ้าด้วยใจละนะรวมถึงเรื่องการสวดมนต์ด้วยก็เหมือนกันนะซึ่งพระุทธเจ้าก็เคยเตือนไว้ถ้าเราคิดว่าเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วนะคุณคิดว่าคุณปฏิบัติบูบชาใช่ไหมโดยการไปสวดมนต์ใช่ไหมแต่คิดว่าไอการสวดนั้นนะด้วยศัก์แต่ว่าท่าทางแห่งการสวดก็ไม่ใช่ว่าเป็นผู้ที่อยู่ด้วยธรรมอย่างแท้จริง่คือบางคนสวดไปก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองพูดอะไรออกไป นะบทที่ส่วนนั้นก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคํำบูชาจริงหรือไม่อาถ้าสมมุติเป็นจริงเขาสวดภาษาบาลีกันเราก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ที่พูดที่ออกจากปากเรามับๆๆฟัฟมนีมมม่มันเป็นอะไรแล้วก็ท่องไปเหมือนนอกแก้วนกขุนทองนกแก้วนกขุนทองมันตัดสู้ได้ไหมมันไม่ได้เพราะมไม่เข้าใจความหมายเช่นเดียวกันถ้าเราคิดว่าไออาการที่สักแหยว่าสวดสวดพูดพูดออกไปน่าจะเป็นกิริยาที่เราได้บูชาแล้วนั่อย่าเห็นอย่างนั้น เพราะว่าการที่ปากสักว่าพูดไปในแต่ใจไม่ได้ทรงธรรมะที่พระเจ้าสอนเอาไว้ก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นผู้ที่อยู่ด้วยธรรมอย่างแท้จริงประเด็นคือนอกจากะจะสวดก็ได้ไม่สวดก็ได้อันนี้เป็นเรื่องเล็กน้อ ย, อยคุณจะเอาทูบเทียนกุณจะาผ้าไปบูชาอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาอันนี้เรื่องเล็กน้อยแต่เรื่องที่สําคัญสําคัญคือใจของเราเข้าใจธรรมะของพระเจ้าขนาดไหนในใจของเรามีคุณสัธรรมหรือไม่ในใจของเรารักษ า, าไว้ นะให้มันมีสัมมาทิฐิมีความเป็นเอกมีความเป็นหนึ่งนะมีใจไม่คิดด่าว่าคนนั้นคนนี้เจอเรื่องไม่น่าพอใจคนนี้ก็ไม่พอใจตกเครื่องบินอาหารไม่ดีกลิ่นต่างๆการจราจรก็ยังอดทนได้อันนี้ถึงจะถูกอันนี้ถึงจะเรียกว่าพระรเจ้าของเราได้รับการบูชาอันนี้ถึงจะเรียกว่าเราไปในะเป็นหนึ่งในของบุคคลผู้ที่น่าจเจริญใจ อันนี้ถึงจะเรียกว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีศรัทธาไปถึงแล้วเห็นสถานที่เนะโอ้ยมันเกิดความสังเวชนะมันเกิดความสังเวชมันไม่รู้จะอธิบายมันน่าสังเวชใจจริงๆแต่แล้วถ้าเกิดความสังเวชปุ๊บมันสลดสลดแล้วนิ่งเลยใจให้มันนิ่งเลยให้คิดทบทวนน้อมเข้ามาสู่ตัวเองเลยว่าโอ้สถานที่ขนาดนี้มันยังเสื่อมโทรมเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนี้แตตัวเราเองก็เหมือนกันแตมันก็เสื่อมโทรมเปลี่ยนแปลงไปได้เหมือนกัน ไม่มีอะไรที่มันจะตั้งอยู่อย่างต่อนเนื่องถาวรเจดี JD เขาก็หักกระพังไปหักพังไปเขาก็สร้างขึ้นมาใหม่สร้างมาใหม่มันก็เสียมตรงนี้พังตรงนี้ต้องมาซ่อมแซมก็เปลี่ยนแปลงไปเปลีป่ยนแป ล, ป ล, ปลงไปอย่างนี้บุคคลที่เป็นแบบนี้ท่านผู้ฟังเรียดว่าเป็นผู้ที่เจริญใจแตนะ่คุณจะอยู่ที่ไหนก็เจริญใจถ้าไปสี่ตำบล น, นีนะ้สังเวชนียสถานสี่แห่งนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่เจริญใจนะพากันไปเห็นแล้วมีจิตเลื่อมใส แต่ถ้าตายไปได้สวรรค์นะได้ไปสวรรค์นแน่แต่เพราะว่าจิตที่เลื่อมใสนั้นจิตที่มีศรัทธาตรงนั้นเราทําจิตรักษาจิตของเราให้ดีในสถานที่ต่างๆเหล่านี้เรื่องของคนอื่นเนี่ยก็ให้คนอื่นเขาคิดไปแต่บางคนอาจจะไปถึงที่นั่นแล้วทาไม่ดีพูดว่าไม่ดีมีขอทานทําอย่างนั้นอย่างนี้นะมีสถานการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยเราอย่าไปสนใจตรงนั้นเลยแต่เพราะฉะนั้นถ้าผูมว่าเราไปสนใจมากจิตเราส่งออกนะมีอกุศลเกิดขึ้นเราเป็นบาป นตะ่แทนที่เราจะได้บุญเรากลับได้บาปเราจึงต้องระวังว่ า, าจะทําอย่างไรนะให้จิตของเรารักษาสิ่งที่เป็นกุศลไว้ในใจให้จิต ง, งเราเป็นบุญให้จิต ง, งเราเป็นกุศลไปแล้วไม่ใช่ว่าเสียตังเปล่เปล่าแล้วเอาบาปมาด้วยแต่ไปแล้วเสียตังให้มันได้บุญนะอยู่ที่ไหนนะจิตให้มันมีความอดทนอดทนนอกจากได้บุญและจิตยังเป็นสมาธิ ด, ด้วยนะอยู่ง่ายกินง่ายให้รักษาจิตมีความสํารู้อินทรีย์ ไปถึงแล้วให้มีการบูชายอย่างถูกต้องเราจะทําการไปถึงสถานที่4แห่งนั้นเนี่ยให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาตามเหตุที่ท่านพระอนุลถามพระรูชาในเรื่องของการเห็นบุคคลที่น่าจเจริญใจแล้วคนที่ไปกับเราด้วยนะท่านฟังคนที่ไปกับเราคณนะะเขาบางทีเขาก็จัดเป็นทัวร์เป็นกรุ่มไปใช่ไหมพอไปถึงแล้วเนี่ยพวกที่เกิดความสังเวชเกิดความสลดใจมีศรัทธานในใจไปด้วยกันเนี่ยบุคคลเหล่านั้นน่นแหละก็เรียกว่าเป็นบุคคลที่น่าจเจริญใจเหมือนกัน นะควรจะไปพบควรจะไปเห็นบุคคลเหล่านั้นแต่ละคนไหนที่ทําไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีอันนั้นไม่ใช่นะเราก็อยู่ห่างๆหน่อยนะหรือว่าถ้าเขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มันคิดดีคิดถูกได้อันนี้ก็เป็นการดีนะั่ก็เรียกว่าเป็นหมู่เป็นคณะที่เลิศเป็นหมู่เป็นคณะที่น่ายกย่องเป็นภิกษุบริษัทเป็นอุบาสกบริษัทเป็นอุบาสิการบริษัทที่ควรแก่การระลึกถึงแตนะ่ไม่ต้องพูดเลย่ยที่จะต้องไปพบไปเจอนะเพราะว่าบุคคลเหล่านี้ นะแค่นึกถึงก็ยังดีใจแล้วสามัคคีกันเดินทางมานะมีจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลมีความอดทนมีการสํารวมอินทรีย์มีศรัทธาเห็นความสังเวชอยู่ง่ายกินง่ายด้วยนะมันต้องควรจะต้องเข้าไปพบไปเจอไปพูดไปคุยด้วยกันโดยสาํานะเพื่อที่จะให้ทําความรู้จักว่าท่านทําจิตยงงอย่างไงมีศรัทธาย่างไรมาเป็นยังไงนะเห็นธรรมะตรงไหนหนะใจตั้งมั่นได้อย่างไรนะถึงสี่ตำบล น, นั้นแล้วให้เกิดบุญท่านผู้ฟัง เหนืสีตำบล น, นั้นเขาก็ทำสถานที่เจดีย์จำลองไว้ตามประเทศต่างๆก็มีนะืไปสร้างเจดีย์เหมือนเป๊ะไว้เมืองไทยเราก็มีเหนะือสีตำบลอยู่ในที่เดียวกันก็ได้ทั้งนั้นนะก็ได้ทั้งนั้นนะเนืาองจากธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นอากาศลิโกใช้ได้ทุกตลอดเวลาแลนะกทุกสถานที่ด้วยแลนะเราอยู่สถานที่ถึงแม้จะไกลออกมาจากสสังเวชนียสถานไกลออกมาจากที่ที่พระเจ้าตรัสรู้แต่ก็เหมือนใกล้กัน ใกล้กันด้วยธรรมะที่อยู่ในใจใกล้กันด้วยเริยามีองแปะที่ปฏิบัติเหมือนกันใกล้กันด้วยสติที่ตั้งมั่นเอาไว้แล้วอย่างไม่ลืมหลงนม่มีกายสงบระงับไม่กระโวนกละวายมีจิตแบบเดียวกันถือว่าใกล้กันถือว่าเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องกันถือว่าอยู่ด้วยกันแอยู่ในธรรมะในนี้ด้วยกันแต่คนที่ทําจิตอย่างนี้จะมีโอกาสไปก็ตามจะไม่ได้มีโอกาสไปก็ตามถือว่าเป็นผู้ที่เป็นบุคคลน่าเจริญใจ และถ้าท่านผู้ฟังได้มีโอกาสไปนะ่ะก็ขอร้องให้ตั้งจิตให้ดีนะใน4ีนยะนี้นะคือ1ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะให้เป็นผู้ที่อยู่ง่ายกินง่ายสันโดษในบริการแห่งชีวิต 2. ให้เป็นผู้ที่มีความอดทนนะอดทนแล้วเราจะเข้าสมาธิได้ด้วยนะ่ะให้เป็นผู้ที่มีการสำรวมอินทรีย์นะคอยระวังตาระวังหูระวังใจของเราไม่ให้อกุสสรธรรมมันเกิดขึ้นนะให้ระลึกไว้เสมอว่าเรามาเนี่ยมาเอาบุญ นะีไม่ได้เอาบาปมาเอาบุญมาสร้างบุญให้ทําจิตให้เป็นกุศลและ 5. เรื่องของการบูชาเนะีให้บูชาด้วยระบบที่ถูกต้องเนะี่เรื่องสาระสําคัญคือเรื่องที่อยู่ในใจเนะี่เรามีการปฏิบัติบูชาเนะี่เราระลึกถึงพระสูตรที่พระเจ้าได้ตรัสไว้นะที่นี้ที่นี้เข้าใจความหมายได้อย่างถูกต้องถึงแก่นคําสอนนั้นๆแม่เป็นบุคคลที่น่าเจดใจจริงจริงและท่านอาบุวังมีคําถามก็เสนอแนะใดใ ด, ดให้ชงมาเลขที่1หมู่8 วัดป่าดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็เพี u ่ยวธรรมบานดอท p u r e d h a m m e ในวันนี้ครับพรเจ้าพระภัยบุญอภิปุนโนได้พูดถึงเรื่องของสังเวชนียสถาน4ีเป็นสถานที่ที่พระเจ้าได้ประสูตดได้ตรัสรู้ได้ประกาศอนุตรัต ธ, ธรรมจักรให้เป็นไปและได้ปรินิพันธ์ด้วยอนุปา ท, ที่เสยสารนิพันธาตุสีแห่งนี้ที่เมื่อผู้มีศรัทธา เห็นแล้วจะเกิดความสังเวชเรียกว่าเป็นบุคคลที่น่าจเจริญใจข้าพเจ้าขอลาไปก่อนจเจริญพร